บัดนี้จักได้แสดงธรรมกราสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิด20สผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วพระพุทธภาสิทธคำภีระปัญญเมธาวิงมัคคามัคขสโกวิทัง อุตมัตถังอนุปตังตมะหังภูมิพรามะนังแปลว่าเราเรียกบุคคลผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราชรู้ทางและมิใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพรามข้อว่ามีปัญญาลึกซึ้งปัญญามีสองระดับคือปัญญาตื่นกับปัญญาลึก ปัญญาตื่นหมายถึงโลกิยะปัญญาส่วนปัญญาลึกท่านหมายถึงโลกุตระปัญญาข้อว่าเป็นปราชุราชคือนักรู้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตให้ความหมายว่าผู้รู้ผู้มีปัญญารู้อะไรปราชธรรมดาก็รู้วิชาคือรู้วิชาการในหน้าที่ของตนเช่นปราชทางศาสนา ทางวิทยาศาสตร์ทางการปกครองเป็นต้นส่วนมหาปราตนั้นหมายเอาพระสัพพัญยูพุทธเจ้าข้อว่าผู้ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่ารู้ทางไปทุ ก, กติสุขติทางแห่งพระนิพพานเป็นต้นข้อว่าผู้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดแล้วหมายถึงพระอรหัตผล เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณภูเขาคิจฌกูฏรทรงป ร, รารภพระเขมาภิกษุณีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้คืนวันหนึ่งกลางปฐมยามวงเล็บประมาณสองทุ่มครึ่งท้าวสกเทวราชเสด็จมากับเทวบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งสดับธรรมกถาของพระบรมศาสดาอยู่ ขณะนั้นพระเขมาภิกษุณีมีพระประสงค์จะเข้าเฝ้าพระาศาสดาจึงเสด็จมาเมื่อทอดพระเนตรเห็นเท้าสกะพร้อมด้วยเทพบริษัทธ์กำลังฟังธรรมอยู่จึงประทับยืนเฝ้าณที่แจ้งแห่งหนึ่งถวายบังคมพระาศาสดาแล้วเสด็จกลับไปเท้าสกะทูลถามว่าภิกษุณีนั้นชื่ออะไรพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุณีนั้น ชื่อเคมาเป็นธิดาของอัตมภาพเธอเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและมิใช่ทางดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าคำพีละปัญญเมทาวิงเป็นอาทิมีนะยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น 21. ไม่คุกคลีด้วยหมู่พระพุทธภาษิตอสังสัตถังขหัดเถหิ อนาคาเรหิจูพยังอะโนกษาริงอัปิดฉังตมหังภูมิพราหมณงแปลว่าเราเรียกผู้ไม่คลุกคลีด้วยคนทั้งสองพวกคือทั้งพวกรือหัดและบรรพชิตเป็นผู้เที่ยวไปอย่างไม่มีอะไรผู้มีความปรารถนาน้อยว่าเป็นพราม การครุกครีด้วยหมู่คณะเป็นข้อหนึ่งที่พระศาสดาทรงแสดงแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีว่ามิใช่ธรรมมิใช่วินยัยมิใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาส่วนการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะนั้นทรงแสดงว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยและเป็นคำสอนของพระศาสดาทรงแสดงโทษของการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไว้หลายประการโดยเฉพาะทรงกำชับมิให้บรัรพชิตคลุกคลี ด้วยเครือหัดจนเกินงามเป็นทางให้เขาดูหมิ่นได้ทรงแสดงโทษของการเข้าสู่สกุลและการครุกครีในสกุลเกิดเวลาไว้ดังนี้ภิกษุผู้เข้าสู่สกุลย่อมได้รับโทษหประการคือหนึ่งต้องอาบัตเพราะเที่ยวไปในสกุลโดยไม่ได้บอกลาเนืองๆสองต้องอาบัตเพราะนั่งในที่รับหูกลับมาตุคาม 3. ย่อมต้องอาบัติเพราะนั่งในที่รับตากับมาตุคาม 4. เมื่อแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คำย่อมต้องอาบัติย่อมเป็นผู้มากด้วยความดำริในการ 1. โดยปกติพระจะออกจากวัดสู่ละแวกบ้านต้องบอกลาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก่อนจึงจะออกได้โดยเฉพาะเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ ภิกษุที่เข้าบ้านเนึองๆย่อมเบื่อที่จะบอกลาหรือบางครั้งอาจจะหาเพื่อนภิกษุที่อยู่ใกล้เคียงไม่ได้เมื่อไม่ได้บอกลาเข้าสู่ละแวกบ้านย่อมต้องอาบัต2อการนั่งในที่ละู ก, กมาตุคามคือการนั่งสนทนากับมาตุคามในที่ที่ใครๆไม่ได้ยินอาจเป็นอาบัตสังขารทิเศษเพราะพูดเกี่ยวหญิงก็ได้หากไม่พูดเกี่ยวหญิงก็ ยังเป็นอาบัติปาจิตติเพราะนั่งในที่รับหู2ต่อ2 3. การนั่งในที่รับตานั้นคือนั่งในที่ที่ไม่มีใครเห็นได้อาจล่วงอาบัติได้ถึงปาราชิกเพราะเสพเมถุนหรือสังขารทิเสเพราะจับต้องกายหญิงหรือปารจิตติเพราะนั่งกับหญิงสองต่อสองเพราะฉะนั้นเมื่อสนทนากับหญิงภิกษุจึงต้องมีบุรุษที่รู้เดียงสาอยู่ด้วยจึงจะพ้นอาบัติ สโดยปกติเมื่อไม่มีบุรุษยอยู่ด้วยเพรษรูจะพูดกับมาตุคามเกิน 5-6 คำไม่ได้แม้จะเป็นการแสดงธรรมก็ตามยิงแม้มากคนก็คลุมอาบัตข้อนี้ไม่ได้รับผู้เข้าสู่สกุลบ่อยๆมีโอกาส ต, ต้องอาบัตในเรื่องนี้ได้มาก 5. เมื่อมีการครุกคีด้วยมาตุคามพูดจาหยอกเย้ากับมาตุคามบา่อยๆราคะย่อมกำเริบแก เขาและพ่กภูลกลายเป็นผู้มากไปด้วยความดำริในการทรงแสดงโทษห้าประการในการครุกคี ด, ด้วยสกุลเกินเวลาดังนี้ 1. ได้เห็นมาตุคามเนื่งเนือง 2. เมื่อเห็นเนื่งเนืองย่อมมีการเกี่ยวข้อง 3. เมื่อเกี่ยวข้องย่อมคุ้นเคย 4. เมื่อคุ้นเคยย่อมมีจิตจดจอ่อ 5. เมื่อมีจิตจดจอ่อย่อมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ จะต้องอาบัติที่เศร้าหมองหรือจกบอกขืนสิกขาลาเพศพรหมจันทร์ด้วยเหตุนี้พระทศพลจึงส่งสารเสริญภิกษุผู้ไม่ ค, คลุกคลีด้วยหมู่คณะทั้งด้วยบรรพชิตและคฤือหัดข้อว่าเที่ยวไปอย่างไม่มีอาไลคือเป็นผู้ไม่ติดที่ไปอย่างสบายไม่ติดที่ไม่ติดตนหรือทายกทายิกาไปเหมือนนกมีบาดและจีวรเสมือนปีกทั้งสอง ทรงแสดงโทษของการอยู่ประจําที่นานไว้5อย่างดังนี้ 1. มีสิ่งของมาก 2. มีการสะสมสิ่งของมาก 3. ม, มีเพศสัตว์มากมีการสะสมเพศสัตว์มาก 4. มีกิจมากมีเรื่องจะต้องทํามากแต่ไม่ฉลาดในกิจที่จะต้องทํานั้น 5. ต้องคุ้ยคลีกบับบรรพชิตหรือคฤารือหัดมากเมื่อจลีกไปที่นั้นก็มีความห่วงใยมาก ส่วนคุณของการอยู่ประจําที่มีกำหนดพอควรนั้นมีอยู่5ประการเหมือนกันทรงแสดงไว้โดยนัยะตรงกันข้ามที่มาอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22นะ่สิบหน้าสการท่องเที่ยวเป็นนานเกินไปก็มีโทษเหมือนกันส่งแสดงไว้5ประการคือหนึ่งย่อมไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. ย่อมไม่เข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. ไม่แกล้งกล้าด้วยสิ่งที่ได้ฟังแล้วบางประการ 4. ย่อมได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนัก 5. ไม่มีมิตรคงจะด้วยเหตุนี้ด้วยเหมือนกันที่พระศาสดาทรงตั้งธรรมเนียมให้ภิกษุสาวกอยู่ประจำที่อย่างน้อยปีละสามหรือสีเดือนฤดูฝนที่เรียกว่าเข้าพรรษา ข้อว่ามีความปรารถนาน้อยอธิบายว่าไม่ปรารถนามากคือเป็นผู้มักน้อยในปัจจัยสี่มักน้อยในทุดงคคุณวงเล็บแม้ถือทุดงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องการให้ใครรู้มักน้อยในปริยัตวงเล็บแม้เป็นผู้มีความรู้มากก็ถ่อมตนไม่อวดรู้ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตนเป็นผู้มีความรู้มากมักน้อยในธรรมที่บรรลุวงเล็บ แม้ได้บรรลุธรรมย่างสูงแล้วก็ไม่ปรารถนาให้ใครรู้ว่าตนได้บรรลุบุคคลผู้มีคุณธรรมดังกล่าวนี้แหละพระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นพรามเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารถพระติสระผู้อยู่ในเงื่อมเขามีเรื่องย่อดังนี้พระเถระเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสด า, สดาแล้วเข้าไปสูป่ป่า สำรวจดูเสนาสะนะอันเป็นที่สบายถึงเงื้อมถ้ำแห่งหนึ่งขณะนั้นเองจิตของท่านสงบสงัหน้าพอใจท่านคิดว่าเมื่อเราอยู่ที่นี้จะสามารถทำจิตของบัรพาชิตให้ถึงที่สุดได้ครั้งนั้นเทวดาผู้สถิตอยู่ในถ้ำคิดว่าภิกษุผู้มีศีลมาแล้วการที่เราอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับภิกษุนี้ย่อมลาบาก ท่านคงอยู่เพียงคืนเดียวแล้วหลีกไปดังนี้แล้วพาบุตรออกไปวันรุ่งขึ้นพระเถระออกไปบินทาบาตแต่เช้าตรู่อุบาสิกาคนหนึ่งเห็นท่านแล้วเกิดความรักเพียงดังบุตรนิมนต์ให้ฉันแล้วอาราธนาให้อยู่จพาพรรษาณที่นั้นท่านก็รับนิมนต์โดยหวังว่าเราอาศัยอุบาสิกานี้แล้วจะสามารถสลัดตนออกจากภพได้ เมื่อท่านกลับมายังถ้ำเทวดาคิดว่าพระรูปนี้คงมีใครนิมนต์ไว้พรุ่งนี้หรือมรืนนี้ท่านคงไปครึ่งเดือนล่วงไปพระเถระยังไม่ไปจากถ้ำเทวดาร้อนใจเพราะไม่มีที่อยู่จะไล่ก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จะอยู่ร่วมกับท่านก็ไม่ได้เทวดาตรวจดูข้อบกพร่องในศีลของท่านตั้งแต่อุปสมบท ก็ไม่เห็นแม้แต่ความด่างพร้อยจึงคิดว่าเราจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ท่านดังนี้แล้วจึงไปสิงในสรีระของบุตรแห่งอุบาสิกาอุปถาญิการของพระเทระบิดคอให้ในตาทั้งสองเลือกน้ำลายไหลเมื่ออุบาสิกาคิดว่าอะไรกันนี่ครั้งนั้นเทวดาได้ปรากฏตนกล่าวกับอุบาสิกาว่า บุตรของท่านเราจับไว้เราไม่ต้องการปรีกรรมแต่ขอให้ท่านขอชฉเอมเครือกับพระเถระที่มาประจําสกุลของท่านแล้วให้บุตรของท่านนัดเถิดเมื่อเป็นดังนี้เราจะปล่อยบุตรของท่านอุบาสิการ่าวว่าแม้บุตรของเราจะต้องตายไปเราก็ยอมแต่จะให้ขอเฉเอมเครือกับพระเถระนั้นเราทำไม่ได้ เทวดากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงบอกพระเถระให้เอาผงหิงคุใส่ลงไปในจมูกของบุตรของท่านฉันทําไม่ได้อุบาสิกาพูดถ้าอย่างนั้นท่านเทน้ําล้างเท้าของพระเถระลงบนศรีรษะแห่งบุตรของท่านได้ไหมข้อนี้ฉันทําได้อุบาสิกาตอบเมื่อพระเถระมาอุบาสิกาก็นิมนต์ให้ท่านนั่งถวายข้าวยาคูแล้วเอาน้ําล้างเท้าของท่านในขณะ ที่ท่านฉันนั่นเองรองเอาน้ําไว้แล้วเรียนให้ท่านทราบท่านก็อนุญาตด้วยดีเมื่อเอาน้ําล้างเทา้าพระเถระรถสีสะเด็กเทวดาก็ปล่อยเด็กแล้วรีบไปคอยอยู่หน้าถ้ำพอเห็นพระเถระเดินสาธยายอาการ32มมาเท่า น, นั้นก็กล่าวว่าพ่อหมอใหญ่ท่านเข้ามาในนี้ไม่ได้ท่านเป็นใครพระเถระถาม ข้าพเจ้าเป็นเทพผู้สถิตยอยู่ณธรรม น, ะนี้เทวดาตอบพระเทระตรวจดูศีลของตนเกี่ยวกับเวชกรรมตั้งแต่อุปสมบทก็ไม่เห็นความด่างพร้อยแห่งศีลแม้แต่น้อยจึงกล่าวกับเทวดาว่าฉันไม่เห็นเวชกรรมของฉันเลยท่านกล่าวอย่างนี้เพราะเหตุไรเทวดากล่าวว่าวันนี้เองท่านรดน้ําล้างเท้าแก่บุตรของอุปถัมภ์ของท่านซึ่งถูกอามนุษย์สิงแล้วไม่ใช่หรือ พระเถระคิดว่าโอ้เราตั้งตนไว้ชอบแล้วแม้เทพธิดาก็ไม่ได้เห็นความเศร้าหมองหรือด่างพร้อยแห่งจตุปาริสุทธิศีลของเราได้เห็นแต่เพียงน้ำล้างเท้าของเราที่ลดบนศีรษะของทารกดังนี้แล้วเกิดปีติอย่างยิ่งเพราะตารกถึงศีลอันบริสุทธิ์นั้นพระเถระข่มปีติอันมีกําลังยิ่งนั้นแล้วบรรลุอรหัตผลณนะที่นั้นเอง แล้วกล่าวกับเทวดาว่าท่านประทุสร้ายสมณะผู้บริสุทธิ์เช่นเราท่านอย่าอยู่ในชัดป่านี้เลยท่านนั่นแหละจงออกไปดังนี้แล้วได้เปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจว่าการอยู่ของเราบริสุทธิ์แล้วหนอท่านอย่าประทุสร้ายเราผู้ไม่มีมนทินผู้มีตบะผู้บริสุทธิ์ท่านนั่นแหละจงออกไปจากป่าใหญ่พระเถระอยู่ที่ถ้านั้นตลอดพรรษา ออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระศ า, าสดาเมื่อภิกษุทั้งหลายถามว่ากิจแห่งบรรพชิตของท่านถึงที่สุดเรียบร้อยแล้วหรือท่านได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายถามว่าเมื่อเทวดากล่าวเช่นนั้นท่านไม่โกรธหรือท่านบอกว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาว่าพระติสสะพยากรพระอระหัดอวดมักอวดผลพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราไม่โกรธเพราะบุตรของเราไม่เกี่ยวข้องกับบรรพชิตและคฤือหัดทั้งหลายบุตรของเราไม่คลุกครีด้วยหมู่มีความปรารถนาน้อยสันโดษ ด, ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสังสัตถังขหัดเถหิเป็นอาทิมีระยะดังพันนามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เปหัวข้อที่ดีท่านกล่าวถึงการคลุกครีทางบรรพชิตและคฤือหัด โดยเฉพาะพระผู้ปฏิบัติเพื่อหวังมักผลหวังความสงบแห่งใจการครุกคลีแม้จะเป็นบรรพชิตและครือหัดย่อมหาความสงบได้ยากและพระองค์กล่าวโทษการเข้าสู่สกุลก็มีโทษถึงห้าประการคือต้องอาบัติพอเที่ยวไปในสกุลโดยไม่ได้บอกลาเนืองเนือง ดังที่ตันทีบายว่าเมื่อจิตเกี่ยวข้องกับสกุลก็มักจะไปบ่อยๆเนี่ยเมื่อไปบ่อยๆก็จะลาก็เกิดลาบากใจบางทีก็ไม่ต้องบอกลาซึ่งตามปกติแล้วพระภิกษุจะไปจากอาวาสก็ต้องบอกลาไม่เจาอาวาสคือบอกลาผู้ที่มอบหมายให้ดูแลเนี่ย ه, ก็บอกลาเสก่อนบางที่บางแห่งนะยังเขาฉลาคที่เขาเขาถือข้อนี้มากเหมือนกันเนี่ยถ้าเลยเที่ยงไปเขา ว, ว่าเขาก็ลาใช้คําบาลีด้ว ย, ยถ้าเป็นการเขาก็ใช้คําว่ากาเลเถ้าเป็นวิกาลหลังจากเที่ยงใช้วิกาเลเนี่ยเราก็มีโทษหลายประการดังที่เราได้ฟังมาแล้วนั่นแหละของยังไม่ต้องตบทวจมากเนี่ย จิตใจย่อมออกจากข้อปฏิบัติออกจากสมาธิเนี่ยแสดงโทษ5ประการในการคลุกคลีด้วยสกุลเกินเวลาเนี่ยแต่ว่าได้เห็นเพศตรงข้ามเนืองๆเมื่อเห็นเนึงนงองๆย่อมมีการเกี่ยวข้องเมื่อเกี่ยวข้องย่อมคุ้นเคยเมื่อคุ้นเคยย่อมมีจิตจดจอ่อเมื่อมีจิตจดจอ่อย่อมไม่ยินดีพระพฤติพระมจรการจะต้องอาบัติเศร้าหมองหรือบอกเกนสิก ข, ขาหมุน ไปสู่เพศต่ำแห่งครือฮัตอันนี้ท่านกล่าวโทษของบรรพชิตโดยตรงนแล้วการแสดงโทษของการอยู่ประจำที่การอยู่ประจาที่นี้ถ้าไม่มีปัญญาไม่ปฏิบัติจริงก็เป็นปัญหาเหมือนกันเราจะเจอปัญหาได้เยอะนะเอ่แต่ว่าโทษของการอยู่ประจำที่นานเกินไปนะมีสิ่งของมากมีการสะสมสิ่งของมากมีเพศสัตว์มากอ่า มีกิจมากกว่างั้นแต่ต้องคุกคีกับบรรพชิตและครือขัดมากนะแล้วเมื่อจะไปก็เป็นห่วงโน่นห่วงนี่ไม่มีอิสระแล้วส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพียงแต่เราอยู่กุติยิ่งเรามีเอกลาบวังเอกลาบเป็นส่วนตัวนี้ยิ่งเป็นภาระมากตามในบ้านในเมืองนี่ไหมเขากุตินี่เขาจะ ปุติแต่ละองค์นี้จะมีสมบัติไปไหนก็ลําบากเนะียมีท่านอาจารย์องค์หนึ่งท่านอยากมาอยู่ที่นี่อผมอยากจะออกอากจากปลีกวิเวกเนะียก็บอกท่านว่าถ้าออกมันต้องสละจริงๆนะถ้ามีอะไรก็ต้องสละจริงๆนะถ้าไม่สละเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องมันจะวิตกกงังวลพอเอาจริงๆนะโอ้มันก็ยากเหมือนกันเนาะ <laughs> ยาก ออกมาชั่วคราวนี้ได้อยู่แต่จะทิ้งมันจร้จริงมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันทั้งเลยเป็นสิ่งที่ทาได้ยากเนยะเหมือนเมื่อสะสมสิ่งของก็เยอะความเกี่ยวข้องกับญาติโยมนะก็มีหลายสิ่งหลายอยา่างนะี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะว่าจะออกจากมันแต่มันก็สร้างความผูกพันกับมันนะก็ได้เหมือนกันนะพระองค์กล่าวถึงโทษของการไปก็มีเหมือนกันนะนะนะนะการไปก็ชงแสดงไว้เหมือนกัน การไปก็ย่อมไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยคือไม่ได้ยินได้ฟังข้อดีๆข้อคิดดีๆจากครูบาอาจารย์ก็ไปลำพังตนเองเป็นความคิดของตนเองเนี่ยย่อมไม่เข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยไม่แก ล, า, กลาด้วยสิ่งที่ได้ฟังแล้วบางประการ่มีแต่เพิ่นไปเรื่อยมาน่ยย่อมได้รับโรคเรื่อรังอย่างหนักนี อันนี้ก็ไม่เข้าใจเท่าไรเนี่ยเนี่ยเพราะว่าไปคนเดียวก็จะเป็นไปได้แล้วเนี่ยไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ใครเห็นก็เป็นโลกโน่นโลกนี้นะแล้วก็ไม่มิมดท่านว่าการไปลักษณะมก็หามิตรยากามิตรในที่นี้ท่านหมายถึงกัลยาณนะมิตรนะในทางที่เป็นคุณก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับที่เป็นโทษนะ นี่เป็นลักษณะของครูบาอาจารย์เหมือนบางครั้งท่านกล่าวถึงโทษบางครั้งกล่าวถึงคุณเนีเมื่อท่านจะส่งเสริมเน่ยส่งเสริมเพื่อให้มีประสบการณ์ท่านจะกล่าวถึงคุณนะแล้วก็ให้ข้อคิดนะเมื่อเห็นว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์ท่านก็กล่าวชี้โทษให้เห็นเนี่ยนี่ก็สำหรับให้เราได้มีปัญญาพิจารณา 22ผู้วางอาจยาได้แล้วนพระพุทธภาษิตนิทายะทันทงังภูเตสุตะเสสุทาวเรสุจะโยนะหันตินะคาเตติตัมมหังภูมิพรามณังแปลว่าผู้ใดาวางอาจยาเสียแล้วในสัตว์ทั้งหลายทั้งที่ยังสะดุ้งและมั่นคง ไม่เบียดเบียนเองและไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามปุตุชนและพระอริยะบุคคลสามจำพวกวงเล็บคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเรียกว่าผู้ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสให้สะดุง้งส่วนพระอรหันต์ชื่อว่าผู้มั่นคงเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุสะดุง้งข้อความอื่นนอกจากนี้มีอัดอันตื่น เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่เชตวันทรงปรารภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าทำความเพียรจนได้สำเร็จอรหัตผลแล้วเดินทางกลับมายัางเชตวนารามด้วยตั้งใจว่าจะกราบทูลคุณอันตนได้บรรลุแล้วแก่พระศาสดาวันนั้นหญิงคนหนึ่งทะเลาะ ก, กับสามี ต้องการกลับไปยังบ้านของตนขณะเดินทางไปพบภิกษุนั้นนางคิดว่าเราจะอาศัยภิกษุนี้ในการเดินทางจึงเดินตามไปข้างหลังแต่พระเถระไม่เห็นนางเลยสามีของนางตามมาเห็นภรรยาของตนเดินไปอยู่คิดว่าหญิงนี้คนเดียวไม่อาจเดินข้ามดงได้เขาอาศัยอะไรหนอจึงไปได้ตรวจดูอยู่ เห็นพระเถระแล้วคิดว่าคงจะเป็นพระรูปนี้เองพาหญิงของเราออกมาดังนี้แล้วไปขู่พระเถระยญิงนั้นบอกสามีว่าพระไม่รู้เรื่องอะไรเลยหล่อนเดินตามมาเองอย่าได้กล่าวร้ายท่านชายนั้นโกรธภรรยาแต่ไปตีพระแทนใจหนึ่งก็นึกว่าพระคงชักส่วนภรรยาของตนออกจากเรือน เมื่อพระเถระไปถึงเชตวนารามภิกษุทั้งหลายพากันนวดสรีระของท่านเห็นรอยถูกตีจึงถามท่านท่านเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระถามว่าเมื่อท่านถูกตีท่านไม่โกรธหรือพระเถระตอบว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบและว่าพระเถระนั้นพยากรอรหัตอวดมักอวดผล พระตาคตตัดว่าธรรมดาพระขีนาศพทั้งหลายวางอาทยาในสัตว์ทั้งหลายเสียแล้วย่อมไม่โกรธแม้ถูกประหารอยู่ดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่านิทายะทันตังภูเตสุเป็นอาธิมีนัยะดังพรรณนามาแล้วแต่ตน้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระอริยบุคคลนะซึ่งท่านขอขจัดความโกรธได้แล้วนะ แม่ถูกประหารท่านก็ไม่โกรธไม่ประหารตอบและไม่กล่าวคำใดๆทั้งสิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีอาสวะได้ทำได้ยากท่านทืกว่าพระโสดาสกิทาอนาคายังมีความสะดุ้งอยู่แต่ท่านก็ข่มได้เหมือนกันเห็นโทษพิจารณาเห็นโทษก็เลยข่มไว้ โดยธรรมะหรือโดยคันติแต่พระอรหันต์นั้นท่านรู้ด้วยปัญญาท่าน้ะไม่ติดใจเนี่ยผู้ไม่เครียดแค้นพระพุทธภาสิทธอวิรุธทางวรุทเทสุอัตตะทันเทสุนิพุตังสาธาเนสุอนาธานังตมหังพรูมิพรามานัง แปลว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่เครียดแค้นในคนผู้เครียดแค้นผู้ดับสนิทในบุคคลผู้มีอาจยาในตนผู้ไม่ถือมั่นในบุคคลผู้ถือมั่นว่าเป็นพรามอธิบายเมื่อคนอื่นขัดเคืองเครียดแค้นอยู่ผู้ใดไม่ขัดเคืองเครียดแค้นตอบเมื่อผู้อื่นคิดร้ายทำร้ายตนผู้ใดดับความโกรธได้ไม่คิดทำร้ายตอบ เมื่อผู้อื่นยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยกามัธิฐิความเชื่อถือผิดและอวิชชาผู้ใดไม่ยึดมั่นถือมั่นพระตถ า, าคตเรียบบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์คือผู้ประเสรศิฐเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารบสามเณรสี่รูปมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้สามเณรขี่นาศบสี่รูปได้สําเร็จอรหัตตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ คือสังกิตจะสามเณรหนึ่งบัณฑิตสามเณรหนึ่งโสปากะสามเณรหนึ่งเรวัตสามเณรหนึ่งพรามณีคนหนึ่งต้องการทำบุญจัดอาหารไว้แล้วให้สามีไปนิมนต์พรามแก่มาสีคนพัตตุเทศได้จัดสามเณรอรหรันสี่รูปให้พรามนั้นพัตตุเทศก็คือเจ้าหน้าที่ที่จัดพระไปให้ผู้ต้องการ พราหมณีเห็นสามเณรสีรูปนั้นมาก็โกรธพราหมณ์ผู้สามีว่าไปพาเด็กที่ไหนมาบอกให้นิมนพระแก่ๆ ก, กลับได้เด็กมาให้พราหมณีไม่ยอมให้สามเณรทั้งสีนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แต่ลาดต่างต่ำให้นั่งแล้วบอกพราหมณ์ให้ไปนิมนพระมาใหม่พราหมณไปเจอพระสารีบุตรจึงนิมนมาท่านมาเห็นสามเณรสีรูปนั่งอยู่ถามพราหมณ์ว่า สามเณรทั้งสี่ได้อาหารแล้วหรือเมื่อทราบว่า ย, ยังไม่ได้ท่านจึงกล่าวว่าผู้มาก่อนควรได้อาหารก่อนแล้วกลับไปพรามไปนิมนต์พระมหาโมคะลานะมาอีกท่านก็กลับเสียเหมือนภาษารีบุตรพรามณีกล่าวกับพรามว่าพระแก่เหล่านั้นคงไม่ประสงค์จะฉันจึงกลับเสียท่านจงไปยังโรงสวดของพรามและนำพรามแกมาสักคนเถิด ฝ่ายสามเณรสีรูปนั่งอยู่แต่เช้ายังไม่ได้อะไรฉันจนสายรู้สึกหิวแต่อดทนไว้ท้าสกะเทวราชเดือดร้อนจึงแปลงเพศเป็นพรามแก่ลงมานั่งอยู่ในโรงสวดแห่งหนึ่งของพรามฝ่ายพรามเจ้าภาพเห็นพรามแก่นั้นแล้วดีใจว่าคราวนี้คงถูกใจพรามมณีแล้วรีบนำพรามชรามากนั้นมาที่บ้านถูกใจพรามมณีจริงๆนางดีใจมาก จัดแจงให้นั่งบนอาสนะสองชั้นแต่พราหมณ์นั้นเห็นสามเณรแล้วไหว้ด้วยความเคารพพราหมณีเห็นดังนั้นจึงดุพราหมณ์ผู้สามีว่าคราวนี้ไปหาเอาพราหมบ้ามาเพราะไหว้สามเณรคราวลูกคราวหลานจึงลับไล่พราหมแก่นั้นให้ออกไปแต่ท้าสกา ก, ก็ทำเฉยสองสามีภรยาจึงช่วยกันจับคนละแขนคราไปทิ้งไว้ที่ประตูเรือน พอกลับเข้ามาก็เห็นพราหมณ์นั้นนั่งอยู่ที่เดิมทำให้สองสามีภรรยาตกใจมากกลัวด้วยเทา้าสะกจึงแสดงให้ทราบว่าพระองค์เป็นเท้าสกะพราหมณีและพราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่สามเณรด้วยความเต็มใจเมื่อฉันเสร็จแล้วสามเณรบางรูปเหาะไปบางรูปดำดินไปเมื่อไปถึงวิหารถูกพวกพิสุทั้งหลายถามถึงเรื่องนั้นสามเณรเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟัง ภิกษุทั้งหลายถามว่าสามเณรไม่โกรธหรือที่เขาทำกับสามเณรอย่างนั้นสามเณรตอบว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายไปกราบทูลภาษาสดาว่าสามเณรกล่าววาจาไม่จริงเป็นการอวดมักอวดผลพระทศพลกล่าวตัดว่าพระขีณาสพย่อมไม่เคียดแค้นในชนทั้งหลายผู้เคียดแค้นตนเป็นต้นดังนี้แล้วตัดพระาถาว่า อวิรุธทางวิรุธเทสุเป็นอาทิีมญยะดังรรนน า, นามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความโกรธซึ่งไม่มีในพระคีนาสุในพระรหันต์มันดูยากเหมือนกันเนาะบางทีก็อันตรายเหมือนกันเนยบาปหนักได้เหมือนกันเนี่ยดังนไม่ให้ประมาทแต่ให้ศึกษาดู ทั้งกิริยาบรรยาททั้งวัดปฏิบัติทั้งคำพูดคำจาที่ออกมาจากจิตใจ24ราคะตกไปพระพุทธภาษิตยัศสราโคจะโทโสจะมโนมโคจะปาติโตสาสะโปริวะอารักาตามหังพรูมิปรามนัง แปลว่าราค่าโทสะมานะมักขะของผู้ใดตกไปแล้วเหมือนเมล็ดผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามประราคาคือความกำหนัดย้อมใจเช่นการมราคาความกำหนัดในการโทสะคืออาการพุ่งพลานแห่งดวงจิตมานะคือความถือถนงตนความถือเราถือเขามักขะคือการลบหลู่คุณท่าน เขามีคุณแต่ไม่ยอมรับว่ามีคุณกกเรตั้งสีประการนี้ตกไปจากผู้ใดผู้นั้นทรงเรียกว่าพรามเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันทรงปรารกพระมหาบันทกมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระมหาบันทกมีน้องชายคนหนึ่งชื่อจุระบันทกเป็นคนโง่เมื่อบวชแล้วพระมหาบัรทกใหเรียนพระปริยัติธรรมแต่พระจุระบรรทก ไม่อาจจำพระคาถาหวงเล็บคือสองบรรทัดได้เลยแม้ใช้เวลาท่องถึงสเดือนพระมหาบรรทกจึงขับไล่พระจุระบรรทกให้ออกจากที่อยู่ให้ไปทำไร่ไถนาเห็นว่าอยู่เป็นพระต่อไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นผู้อาภัพในาศาสนาเสร็จแล้วทั้งเสื่อมจากโภคะแห่งขรุขัห ภิกษุสนทนากันว่าพระมหาบรรทกทกํากรรมเช่นนี้เห็นจะเป็นเพราะโกรธพระจุระบรรทกเป็นแน่แท้ความโกรธชลอยจะมีแม้แต่พระขีณาศพทั้งหลายเป็นแน่แท้พระษาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิเลสมีราคะเป็นต้นย่อมไม่มีแก่พระขีณาศพแต่บุตรของเราทําอย่างนั้นเพราะมุ่ง ประโยชน์มุ่งธรรมดังนี้แล้วตัดพระขาถามว่ายศสะรารโคจะโ ท, โทโสจะเป็นอาทิมีรนยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้น เ, เรื่องพระมาบรรทกกับจุระบรรทกก็เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดดีมากเลยส่วนมากก็จะได้ฟังกันพระจุระบรรทกนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในพุทธวิสัย ไ ม, ไม่ไมด้อยู่ในสาวกวิสัยก็คือภาษาวกไม่สามารถที่จะแนะนำท่านได้นอกจากภูทาองค์ให้ท่องคาถาสั้นๆ ส, สองประโยคนี่สี่เดือนท่องไม่ได้นี่เอายังไงก็ไม่ได้นี่ผู้พี่ชายก็ลาคาญนะ น, นะคงจะไม่ไหวละมั้งจะไปปฏิบัติมรรคผลได้อย่างไรก็เลยไล่ ให้ศึกไปทำไรไถนาเสียว่าเ ง, ง้นแต่เนี่ยแต่ท่านก็ยังมีศรัทธาตามเรื่องเนี่ยมีศรัทธาท่านก็ไม่อยากท่านก็เลยเศร้ามองนร้องไห้ด้วยสุดท้ายก็บิกสุทั้งหลายก็นำไปเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ให้กรรมฐานให้ผ้าขาวชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งเนี่ยบอกว่าเธอไม่ต้องทำอะไรเอาผ้าขาวนี่มาบริกรรมการบริกรรมก็คือให้รูปเฉยๆ พอให้ท่องอะไรก็ไม่ได้เอามาลูบขาวขาวให้ใช้คําภาษาบาลีให้ท่องด้วยให้ท่องว่าละโชหระหนังระชังหะรติให้ใช้ก็ว่าผ้าเช็จฝุ่นหรือผ้าเปื้อนฝุ่นพอเอามือทูไปทูมาผ้าก็ค่อยๆดาเข้าเศร้ามองคล้ำเข้าไปท่านเพ่งมองเพ่งไปเพ่งไปเพ่งมาปัญญาเกิดในขณะนั้นท่านก็ มีความรู้สึกว่าเอ๊ะผานี้เดิมทีเดียวเวลาเราออกมาเนี่ยมันบริสุทธิ์ดีขาวสะอาดเนี่ยแต่เวลาเราทูไปทูมาด้วยมือของเราทำไมมันดำเข้าดำเข้านะก็กลายเป็นของสกปรกไปด้วยกันนะเหมือนเราสวดนิยะธาปัจจยังภววะนบานังธาตุมัตเตเมเวตังเนี่ยสิ่งเหล่านี้สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนะนะถ้าอยู่ลาพังของมันก็ไม่สู้อะไรแต่มา เข้าถูกกับกายแล้วก็กลายเป็นของน่าเกลียดไปด้วยกันเนี่ยท่านเห็นลักษณะนั้นก็เลยปร่งลงสู่พระอนิจจังทุกครั้งนัตตานีแล้วก็น้อมเข้ามาที่กายของทานเอ้ยกายเรานี่ก็เหมือนกันเนี่ยกายเราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังเหมือนกันทุกครั้งนัตตาเหมือนกันอ่าจิตก็เลยปรง่งอ่าสู่กรรมฐานแล้วก็ยกขึ้นสู่อิปัสสนาปัญญาเนี่อ่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ เรื่องพิสดานก็อยู่ในทางแห่งความดีก็คงมีเล่มก่อนๆอ น, นนี่มันเล่มสุดท้ายแล้วก็ถามไปฟังเอาก็แล้วกันยี่สิบห้าถ้อยคำไม่ระคายหูพระพุทธภาษิตอากะกศสังวิญญาปนิ่งขิรังสั จ, จังอุธิระเยยายะนาพีสะเชกันจิ มะหังพลูมิพรามมนังแปลว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำอันไม่ระขายหูให้รู้กันได้วงเล็บชัดเจนเป็นคำจริงอันไม่ทำให้ใครขัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามอันนี้กล่าวถึงคาดีอธิบายรวมไปว่าคนบางคนกล่าวคำยาพระคายหูไม่ชื่นใจถ้อยคำนั้นฟังยากไม่ชัดเจนต้องการพูดอย่างหนึ่งแต่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง เป็นคำโกหกหลอกลวงและคำอันทําให้ฟังแล้วขัดใจโดยเจตนาคำพูดเหล่านี้ไม่ดีส่วนบางท่านกล่าวคำอ่อนหวานไม่ระคายหูฟังแล้วชื่นชูใจฟังง่ายเข้าใจชัดต้องการความอย่างใดผู้ฟังเข้าใจตามนั้นเป็นคาจริงไม่ทาให้ใครขัดใจโดยเจตนาบุคคลเช่นนั้นภษาสดาตรัสเรียกว่าเป็นพราม เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปราบร พ, พระปิรินทวัตชะมีเรื่องย่อดังนี้พระปิรินทวัตชะนั้นกล่าวคําว่าคนถอยจงมาคนถอยจงไปให้ความหมายถ้าเทียบกับสํานวนไทยคงเป็นไอหามาแล้วหรือธรรนองนไปแล้วหรือไอหาทํานองนี้พระเทระผู้ใหญ่ ของไทยบางท่านก็ติดคำหยาบโดยไม่จงใจเหมือนกัน เ, เรียกว่าคนถอยจงมาคนถ่อยจงไปเป็นต้นเมื่อครือขัดหรือวันปชิตมาหาท่านวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระาศาสดาถึงเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระเปรลินทวชชะเข้าเฝ้าตัดถามว่าจริงหรือพระเปรลินทวชชะทูลรับว่าเป็นความจริง พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ากิริยานั้นของพระเปรินทวัตชะเป็นวาสนาคือกิริยาอาการอันสังสมมานานหลายร้อยชาติคือเคยเป็นพรามและพูดอย่างนั้นมาเรื่อยตลอด5 0าร้อยชาติท่านไม่ได้มีเจตนาพูดคํายากพระพุทธองค์จึงตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอจงอดโทษแก่เปรินทวัตชะเถิด วัชชะไม่ได้มีโทสะในภายในแล้วเรียกคฤหัสถและบัรพชิตเช่นนั้นแต่อาการนั้นเป็นวาสนาของเธอที่ติดมานานคำหยาบเช่นนั้นไม่มีแก่พระกีนาศพเธอกล่าวเช่นนั้นด้วยความเคยชินดังนี้แล้วตัดว่าอากาศกกสังวิญญาปนิ่งเป็นอาธิมีนยะดังพาลนามาแล้วแต่ต้นอันนี้ถึงบอกว่าตะดูที่เจตนา มากับกิเลสไหมหรือไม่มีกิเลสเนี่ยจริงๆก็พอดูออกอกิรลสเนี่ยบางทีพูดท่านก็พูดเพื่อมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งสอนดูกิริยาอาการบางทีพูดไปท่านก็ยังยิ้มยิ้มไปด้วยซ้าไปบางทีด่าฟ้าแหลงแหงเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เห็นลูกเห็นล้านบางทีก็ดีใจแต่ติดคำหยาบก็เลยบอกไอ้หาไอ้หยาไไอมึงไปไหนเัี้งนมนานไม่เห็นมาหากูเลยอย่างนี้ก็มี พูดอย่างนี้ก็เกิดความรักได้เพราะมาจากใจที่มีเจตนาดีเนดนั้นคำพูดคำหยาบหรือคำดีจึงไม่เป็นประมาณอยู่ที่ใจทั้งหากเนี่ที่เคยพูดเสมอว่าถ้าใจไม่ดีพูดดีขนาดไหนก็เหมือนิีโกนคมกริบเลยเฉือนเจ็บมากเลยแต่ถ้าใจดีพูดหยาบขนาดไหนก็ยิ่งเกิดความรักเนี่ยอันนี้มันอยู่จิตใจที่เจตนา 2ีไม่ถือเอาของผู้อื่นพระพุทธภาสิตโยทะทีคังวารัตสังวาอนุงถูหลังสุภาสุพังโลเกอทินนังนาธิยติตะมหังภูมิพรามะังแปลว่าผู้ใดไม่ถือเอาของที่เขาไม่ให้ในโลกนี้ไม่ว่าของยาวหรือสั้นละเอียดหรือหยาบงามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราม อธิบายการถือเอาของที่เจ้าของอยังไม่ได้ให้ด้วยจิตขโมยหรือเถ่ยจิตมิใช่ถือเอาด้วยวิสาสะท่านเรียกอาการนั้นว่าอธินนาทานเป็นศีลข้อที่สองในศินห้าลข้อนี้มีบัญญัติทุกศาสนาแม้กฎหมายบ้านเมืองก็เอาโทษแก่ผู้ประพฤติล่วงเหมือนกันทุกประเทศอธินนาทานจึงเป็นกรรมทุจริตอันควรเว้นอย่างยิ่ง ผู้ทำอัินนาทานเป็นการพระเกียรติยศแห่งตนบทความนับถือตนใครทราบเข้าก็ไม่อยากคบหาสมาคมส่วนบุคคลผู้มีชาติแห่งบัณฑิตแม้ต้องเสียชีวิตก็ยอมแต่ไม่ยอมทำอัินนาทานผู้เช่นนี้ภะษาสดาทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงปรารพรภิกษุรูปหนึ่งเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันมีเรื่องย่อดังนี้พราหมณ์มิจฉาทิฐิคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี เปรืองผ้าสาดกสำหรับผมไว้ข้างหนึ่งเพราะกลัวเหม็นสาบกลิ่นตัวของตัวเองพระคีณาสารูปหนึ่งทำพัฒกิจแล้วกำลังเดินไปวิหารเห็นผ้าสาดกนั้นเหลียวดูไม่เห็นใครเข้าใจว่าผ้านี้หาเจ้าของไม่ได้จึงถือเอาโดยอธิษฐานใจว่าเป็นผ้าบางสกุลพรามเห็นท่านแล้วด่าว่าขำโมยพลาของเขา พระบอกว่าเข้าใจว่าผ้านั้นไม่มีเจ้าของจึงถือเอาด้วยบังสกุลสัญญาแต่เมื่อรู้ว่าผ้ามีเจ้าของหวังแหนท่านก็ไม่ประสงค์จึงคืนผ้านั้นให้พรามไปพระเถระขีนาศบกลับไปวิหารเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายต้องการย่อ ย, ย้อยท่านจึงกล่าวว่าผ้านั้นยาวสั้นหยาบละเอียดเพียงใดเทียวพระขีนาศพกล่าวว่าผ้านั้นจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด แต่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรในผ้านั้นแล้วข้าพเจ้าถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาคือไม่มีอะไรในผ้านั้นเลยเนี่ยแต่เพียงแต่ถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาคิดว่าไม่มีเจ้าของเนี่ยพิกษุทั้งหลายฟังคํานั้นแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าภิกษุนั้นพูดไม่จริงเพราะยกรอรหัตผล พระศาสดาตัดว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพูดจริงธรรมดาพระขีณาศพย่อมไม่ถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ให้ดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าโยธะทีคังวารัตสังวาปินอาทิมีนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเกี่ยวกับอธินาทานเนีน่ยอธินาทานเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากถ้าเราดูสิคาบทเนี่ยในปาาชิคข้อที่2ห จะมีความละเอียดมากคือการถือบางสกุลถือดะก็ไม่ได้วิสาสะก็เหมือนกันถือโดยวิสาสะก็มีองค์ของวิสาสะเหมือนกันการที่จะถือเอาองค์ของวิสาสะที่สำคัญองค์หนึ่งก็คือของที่เราเอาจากของที่เป็นเพื่อนกันจะเป็นโยมหรือเป็นพระก็ตามคำว่าวิสาสะนี่ก็คือ เป็นเพื่อนรักใคร้กันรู้ใจกันเนี่ยรู้ใจจนกระทั่งว่าเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันหรือว่าอย่างั้นแท้เนี่ยสนิทกันขนาดนั้นถ้าสมมติว่าเราถือเอาของของเขาเนี่ยคือเขาไม่อยู่นะแต่ว่าเออของนี้ของเพื่อนเราเองเนี่ยเราต้องคิดว่าถ้าเราเอาเขาก็คงพอใจที่จะให้ เขาจะไม่โกรธหรือรู้ว่าเราเอาเขาก็ดีใจด้วยเพราะว่าเป็นเพื่อนรักเนี่ยต้องเข้าใจถึงกันอดนั่นนะถึงจะถือเป็นองค์วิสาสะได้นี่ถ้าเอาแล้วนี่บางทีถึงเป็นเพื่อนกันก็ได้ทำไมไม่บอกกลัวหรือว่าอย่างนี้อันนี้ไม่อยู่ในองค์ของวิสาสะเนี่ยอันนี้ก็เป็นโทษได้เหมือนกันแต่การถือวิสาสะนี่ก็คือพูดง่ายๆถ้าเอาไปแล้วเขาดีใจนี่เหมือนกับพ่อแม่อย่างนี้ เห็นลูกเอาสิ่งของอะไรไปเล็กๆน่นอนก็เออดีใจดีมันจะได้ไม่ลําบากเนี่ยก็ดีใจนี่ก็เหมือนกันเพื่อนเอาไปก็เออเขาคงลําบากมั้งเขาไม่มีเอาไปก็ดีเหมือนกันนี่จึงเป็นองค์ของวิสาสะได้ถ้าไม่รู้ใจกันถึงขนาดนี้ไปถือเอาเป็นเรื่องเนี่ยบางทีโกรธกันจนตายเลยก็ได้นี่ก็สําคัญเหมือนกันมีรายละเอียดอยู่เยอะการถือวิสาสะ ถ้าเป็นพระก็เหมือนกันมีสิ่งของอะไรเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันหรือเพื่อนสัรมิกที่รู้ใจกันเนี่ยถ้าเอาก็รู้ใจกันขนาดว่าเออไม่เป็นไรล่ผมเบาก็คงไม่ว่าอะไรใพอรู้ใจกันเคยก็ททำลักษณะนี้แล้วไงก็พูดง่ายๆของท่านเหมือนของผมนะของผมเหมือนของท่านนะจำนองนี้ท่านมีอะไร เนี่ยก้อนกับผมมีตามน้องนี้เรียกว่าถึงวิสาสะกันได้อย่างนั้นก็ไม่มีโทษนีถ้าอย่างนั้นก็โทษอธินาทานได้เลถึงไม่เจตนาบางทีไม่พอใจเนี่ยเขาก็หาว่าแก้ตัวได้เนี่ยจากนั้นแม้วิสาสะก็ต้องเข้าใจองค์ของการถือเอาด้วยวิสาสะบางสกุลก็เหมือนกันท่านว่าไม่ให้บางสกุลทั่วไปเนี่ยบางสกุลเพราะว่าบางที ของไม่ควรบางสกุลก็บางสกุลเอาเลยบางทีก็อถ้าเอาด้วยเจตนามีเจตนาลักขโมยมันไม่ผลมันไม่ผลโทษเลยแต่พระ่กี้นายศพท่านไม่มีเจตนาขโมยเลยเนี่ยแต่ท่านเห็นว่าเออเขาคงจะทิ้งเราบ้งผ่ากอเมเหม็นเหนวนพามนตนเองก็ยังเหม็นอย่างงก็ยังปล่อยทิ้งไว้เนี่ยใส่ตนเองก็ไม่อยากใส่ตนเองเหม็นแต่ไม่ไม่อยากสักเนี่ยท่านก็เห็นโอ้ขนาดนี้คงแกะ ไม่มีเจ้าของหรือมั้งเน่ก็เลยหยิบเอาไปทํารองนั่นแต่เมื่อเขาทวงเอาคืนเ้ากล่าวโทษท่านก็คืนไปเน่ท่านว่าท่านไม่คิดจะเอาท่านคิดว่าไม่มีเจ้าของท่า น, นั้นเองเน่อันนี้มันก็ดูยากเหมือนกันนะพูดกันยากถึงแม้แต่ภิกษุก็ยังพูดล้อท่านเลยเห็นไหมต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้วิพากษ์ษาให้ถึงถึ ง, ถงจบเน่อันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความละเอียด อยังธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันละเคตาภาต i